เอาวันนี้มาต่อกันในเรื่องของสภาสวัสตรที่จริงพูดในแง่ของสภาสวัสตรก็จริงอยู่แต่พอมาพูดถึงในเรื่องการสรุปในพระสูตรนี้ที่สรุปลงในอริยสัจ ส, สคือการสรุปลงในทุกสมุทยัยนิโรธแล้วก็มรรคเรื่องก็เลยมายาวอยู่ตรงที่อริยสัจ ส, สีนี่เองฉะนั้นสภาสวัสดูเนี่ยในทัศนะที่แปลว่าความเห็นเนี่ยนะคือโสดาปิมรรคนี่ โสดาปฏิมาเกิดขึ้นเนะี่ยนันก็มีเงื่อนไขว่าโสดาปฏิมาก็ไปแทงตลอดอริยสั จ, จสเป็นครั้งแรกเลยนะก็เลยต้องมาพูดถึงในเรื่องของอริยสัจก็คือทุกขสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคอะไรเป็นทุกขอะไรเป็นทุกขสมุทัยอะไรเป็นทุกขนิโรธอะไรเป็นทุกขานิโรธถ้าขาม่มีปฏิปทาก็เลยมาพูดถึงในเรื่องของอริยสัจสี่ 4. เขาพูดถึงในเรื่องของอริยสัจสีก็เลยเป็นเรื่องยาวเลยนะก็พูดถึงสัจจะที่จะที่พระอริยะตัสรู้แล้วก็เป็นสัจจะของพระอริยะหรือสัจจะที่ทําให้เป็นพระอริยะหรือสัจจะอย่างอริยะอย่างแท้แนี่นอนเนี่ยนะอันนี้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้แหละเป็นทุกข์อริยสัจเป็นต้นไล่ไปตามลําดับเลยนะ อะไรเป็นทุกขศาสตร์อะไรเป็นสมุทยาสัจจะอะไรเป็นนิโรธาสัจจะอะไรเป็นมรคศาสตร์วันก่อนได้พูดถึงในเรื่องของนิโรดคือ <c oughs> ความดับทุกนี่ก็พูดทั้งทุกขั้นตอนแล้วตั้งแต่วิขมนาวิโรจน์จนถึงนิสสารนะนิโรดซึ่งเป็นนิโรธาสัจจะแท้ <c oughs> เอาต่อไปก็พูดถึงในเรื่องของมรคมรคอันนี้เป็นทางดับทุก อันนี้พูดถึงวิธีปฏิบัติเพื่อกำจัดสาเหตุแห่งปัญหาแล้วเมื่อรู้ทั้งปัญหาทั้งสาเหตุแห่งปัญหาทั้งจุดหมายที่เป็นภาวะหมดสิ้นปัญหาทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็พร้อมและเป็นอันถึงเวลาที่จะต้องลงมือปฏิบัติฉะนั้นการพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติเนี่ยขั้นปฏิบัติการทั้งหลายเหไรเนี้เป็นขั้นมัคคุศล ออพระทำคาสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเนี่ยหลักการบางอย่างเนี่ยพุทธเจ้าตรัดความจริงบางครั้งก็ตัดข้อปฏิบัติบางครั้งตรัดหลักความจริงเนี่ยคนก็แยกไม่ออกว่าไม่ใช่หลักปฏิบัติยกตัวยอย่างเช่นคําว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนี่ยนี่นะในบรรดาสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสังขารเล็กหรือสังขารใหญ่ ที่ประดับไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือกายกับใจเป็นต้นหรือกระแสชีวิตเนี่ยอันนี้ประดาสังขารเหล่านี้มันไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็แปรปรวนตลอดเวลายอย่างไรแล้วก็มีการบีบคั้นกดดันขัดแย้งในตัวมันเองมันแสดงความทุกข์แสดงปัญหาให้เกิดขึ้นในปรากฏออกมาแล้วก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยเนี่ยประดาสังขารเหล่านี้เวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหรือสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาเนี่ยนะไม่เป็นอัตตาตัวตนเนี่ยเป็นไปนตามเหตุปัจจัยลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสถึงความจริงไม่ได้บอกหลักปฏิบัติถ้าหลักปฏิบัติเนี่ยจะพูดถึงนเรื่องว่าเมื่อรู้ว่าประดาสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเป็นต้นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออเราจะปฏิบัติอย่างไรฝึกฝนพัฒนายอย่างไรทั้งพฤติกรรมจิตใจและ โดยเฉพาะปัญญาเพื่อให้เข้าถึงหรือไปเห็นความจริงนั้นอย่างไรเมื่อไปเห็นความจริงโดยการประจับแจ้งชัดเจนแล้วมันถึงจะถ่ายถอนตัณหาอุปาทานหรือตัณหามานณทิฏฐิออกจากกระแสะของชีวิตเมื่อถอนกิเลสซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ได้แล้วเนี่ยก็เป็นอันว่าหมดหน้าที่เป็นการดับทุกข์ได้จริงอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นในขั้นของการที่จะต้องลงมือปฏิบัติโดยเฉพาะในแง่ที่สัมผันธ์ใกล้ชิดโดยตรงก็คือ เมื่อรู้จุดหมายที่จะต้องไปให้ถึงว่าเป็นไปได้และคืออะไรแล้วเนี่ยการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายนั้นจึงพลอยเป็นไปได้ด้วยก็หมายว่าถ้าไม่รู้จุดหมายคืออะไรจะไปไหนก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติหรือดําเนินหรือเดินทางได้อย่างไรดังนั้นว่าโดยความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะด้วยกันก็คือมรรคเนี่ยสมควรเข้าลําดับเป็นข้อสุดท้ายที่ถูกต้องเห็นไหมพุทธเจ้าบอกถึงปัญหาก่อน คือทุกข์แล้วก็บอกถึงสาเหตุของปัญหาก่อนคือดีสาเหตุที่ทําให้ก่อทุกข์ขึ้นเป็นปัจจัยทําให้ทุกข์นั้นตั้งขึ้นเจริญขึ้นแล้วก็พูดถึงสภาพที่ดับปัญหาหรือดับทุกข์ก็คือนิโรธอันนี้เป็นสภาพที่ปลอดรอดภัยหรือปลอดปรวงจากปัญหาสภาพที่ดับวัตถทุกข์ตั้งแต่ดับขั้นพื้นฐานเป็นต้นไปตามลําดับจนถึงสภาวะที่เป็นนิสรณะนิโรธเลยคือการ ดับ ก, กิเลสด้วยการสลัดออกหมายถึงภาวะที่เป็นอิสระแล้วก็ปลอดโปร่งอย่างแท้จริงและอย่างสมบูรณ์ด้วยก็คือภาวะที่เข้าถึงอนุปาทาปรินิพานคือกระแสะกิเลสหยุดตัวด้วยกระแสะชีวิตก็หยุดดําเนินไปด้วยก็คือนั่นจึงเป็นความปลอดโปร่งโล่งจึงเป็นความเบาเป็นความสงบที่ดีที่สุดที่พระรัชกาบอกว่าจะาเป็นการนอนครั้งสุดท้ายก็คืออนุปาทาปรินิพานก็คือการไม่ลุกขึ้นมา ก่อขันห้าหรือแบกขันห้าหรือบริหารขันห้าดำเนินต่อไปในสังสารวัตรอีกนี่แหละคือจุดหมายสูงสุดที่ควรควรเข้าถึงสําหรับผู้ที่เข้ามาสู่ในพระศาสนาของพระพินณเจ้าทีนี้ว่าด้วยความสัมพันธ์ถึงบอกว่ามัคเนี่ยนะทาง ด, ดําเนินหรือวิธีการหรือข้อปฏิบัติจึงมาอยู่ข้อสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งให้สังเกตดูวิธีการสอนว่าโดวยวิธีการสอนตามธรรมดานั้นการปฏิบัติเนี่ย เป็นกิจที่ต้องอาศัยเรี่ยลแรงและต้องอาศัยกําลังถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายก็ย่อมไม่มีกําลังในการที่จะปฏิบัติยิ่งถ้ารู้สึกว่าการปฏิบัตินั้นมันยากเย็นเขินใจเหลือเกินก็อาจจะเกิดความไะย่อหรือท้อถอยเกิดความหัวถูเกิดความเกลียดค้านและถึงกับไม่ยอมปฏิบัติก็ได้หรือไม่อยากปฏิบัติเลยถ้าหากปฏิบัติก็อาจจะยัง ถูกปฏิบัติแบบจำใจฝืนใจหรือถูกบังคับสักแต่ว่าทาไม่อาจจะดำเนินไปได้ดีอันนี้เป็นปัญหาฉะนั้นยังบอกว่าเอา้าซึ่งสังคมในปัจจุบนันโนดยมากเราไม่ค่อยบอกเหตุผลแล้วก็ไม่บอกว่าจุดหมายด้ทําแล้วมันจะดียังไงเข้าไปอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ถูกบังคับตั้งแต่แรกเลยเอา้าต้องแต่งตัวให้เหมือนกันให้เรียบร้อยคือข้อปฏิบัตินั่นแหละอา้า ต้องใส่ชุดแบบนี้ต้องใส่กางเกงสีนี้ต้องใส่เสื้อสีนี้ต้องใส่หมวกสีนี้ต้องใส่รองเท้าสีนี้ใส่ถุงเท้าสีนี้โอยต้องเรียนต้องเข้าห้องเรียนเวลาเท่านั้นออกเวลาเท่านี้ต้องกินข้าวเวลาเท่านั้นเราบอกแต่ระเบียบบอกแต่วิธีปฏิบัติแต่เราไม่บอกว่าจุดหมายจะทําทแล้วมันจะดียังไงยังไงทุกคนก็เลยบอกฝืนใจทําบอกงั้นจะจําจใจทําไม่อยากทําหลบหลบเลี่ยงเลี่ยงสภาพสังคมมันก็เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเป็ด ไม่มีแรงกันอยู่เนี่ยนะมันไม่อยากทําไม่เห็นจุดหมายทําแล้วมันจะได้อะไรทําแล้วจุดหมายมันจะเลิศมันจะประเสริฐยังไงมันจะสวยสดงดงามยังไงมันจะเมื่อตอนเองทําแล้วและเข้าไปอยู่ในร่วมในกิจกรรมนั้นๆแล้วตนเองจะได้เพิ่มศักยภาพทั้งทักษะความรู้ควา ม, วามสามารถยังไงชีวิตจะปลอดโปร่งลงยังไงปัญญาจะเกิดขึ้นยังไงแล้วตนเองจะเป็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอย่างไรทั้งหลายเหล่านี้ ว่าเป็นตอนนั้นจะเป็นอิสระเป็นเสรีภาพนองตัวเองที่แท้จริงอย่างไรหรือว่าเป็นจุดหมายที่พึงประสงค์อย่างไงเนี่ยเราไม่ค่อยได้บอกจุดหมายใช่ไหมแล้วก็อา้าวให้ทำกันไปคนบางคนทําตามระเบียบจนรู้สึกว่าไปติดอยู่ในระเบียบซะอีกด้วยการที่ไม่มีปัญญาอย่างเห็นเนี่ยไปติดอยู่ที่ระเบียบไปติดอยู่ในที่รูปแบบไปติดอยู่ที่วิธีการหมดเลยวันเวลาก็ไปผ่านไปอยู่กับระเบียบวิธีการแล้วก็หลักการนั้นนั้น แต่มันไม่เข้าใจว่าจุดหมายมันคืออะไรมีเป็นปต้นมาเรียกฝืนธรรมสักแต่ว่าไม่สามารถจะดําเนินไปได้ดีเห็นไหมโยโย่จะไปบอกมรรคบอกวิธีการบอกข้อปฏิบัติเลยไม่ได้ใช่ไหมมันรู้สึกไม่มีพลังแต่ถ้าบอกจุดหมายมันเลิศมันประเสริฐยังไงเคยยีินสมัยก่อนไหมสมัยก่อนเนี่ยเวลาก็จะปลุกระดมกันเนี่ยบอกว่าท่านทั้งหลายต่อไปประเทศไทย จะได้เข้ า, ขาถึงฟ้าสีทองผ่องอัมภัยโอ้โหเห็นเลยใช่ไหมหเห็นฟ้าเห็นฟ้าสีทองผ่องอัมภัยเลยเยอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรากําจัดปัญหานี้ได้เหตุของปัญหานี้ได้โอ้โหเนี่ยนี่คือตัวปัญหาระบอบแบบนี้มันไม่ดียังไงระบบ ก, การปกครองแบบนี้มันใช้ไม่ได้ ถ้าเราถืออยู่ในระบบการปกครองอย่างนี้เราจะไม่สามารถเข้าถึงฟ้าสีทองของอานภัยได้ถ้าจัดการระบบนี้ได้เราจะสามารถเข้าถึงระบบเข้าถึงฟ้าสีทองผ่องอันภัยประเทศชาติของเราจะเข้าถึงลุ่งโรดช่วช่วงชัดรฉวานโอ้โหพูดอย่างนี้ยระบอกวิธีการเนี่ยอันนี้ก็เอาอริยสัจสี่นี่แหละไปจับแล้วก็ไปปลกระดมกันใช่ไหมมันก็กลายเป็นเรื่องดีเออเอาไปใช้ในทางไม่ดีก็ได้ก็อีกใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้น แต่เห็นไหมลักษณะอย่างนี้เราจะได้เข้าใจอ๋อพุทธเจ้าที่บอกอริยสัจโอ้โหดีคนเข้าใจอริยสัจเนี่ยสามารถทำอะไรประสบความสำเร็จใช่ไหมใช่เอาในทางตรงกันข้ามถ้าหากเห็นคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งที่เป็นจุดหมายชัดเห็นชัดนะเขาย่อมยินดีที่จะปฏิบัติเต็มใจที่ปฏิบัติแล้วก็เพียรพยายามในการทิบัติ ยิ่งจุดหมายนั้นดีงามมากเท่าไหร่เขาก็อยากได้เท่านั้นเห็นไหมงั้นแตบอกชี้จุดหมายว่าจะดียังไงให้สังเกตที่เราบอกโฆษณาทุกวันนี้โอ้โหพูดส่วนดีซะจนใช่ไหมบางคนไอ้นี่มันก็ต้องระวังนะคือพูดดีเกินพูดจนว่าโอ้โหดูมันทำไมมันเลิศมันเฟอร์เฟกอะไรขนาดนั้นเนี่ยพูด ไปไปมาๆนี่พูดแล้วก็มองคนก็ไม่รู้ก็ติดโฆษณาเนี่ยโฆษณาทั้งหลายก็บอกประโยชน์นี่แหละบอกจุดหมายนี่แหละจุดหมายที่จะไปถึงจุดหมายที่จะรู้ถึงถ้าเข้าไปถึงแล้อรู้ถึงสภาพอย่างนั้นถ้ามันจะเลิกมันจะประเสริฐยังไงไปไปมาๆแล้เลยมาพูดแค่นี้โอ้โหทุกคนก็อยากไฟฝันอยากจะเป็นบางคนไฟบอกว่าพ่อแม่บางคนก็บอกว่าโลกนี่ยปัญหาของเราที่มันจน เพราะเราไม่ได้เรียนเอาละสิแต่เนี้ยฉะนั้นเราต้องเรียนนะโลกนะต่อขึ้นเราจะได้เป็นเจ้าคนนายคนโอ้โไอ้ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนเราินลำบากอย่างงี้เอาละสิมันก็มันก็มึนแล้วแต่เนี้ยเห็นไหมนี่บอกเหตุบอกผลผิดพลาดเนะ่ยไปเข้าใจว่าเรียนเนี่ยมันจะได้ไม่จนใช่ไหมเมื่อคนเรามีความรู้แล้วเราจะได้เป็นเจ้าคนนายคนมันคนละเรื่อง ใช่ไหมการเรียนกับการเป็นเจ้าคนนายคนมันก็คนละเหตุคนละผลกันการเรียนกับการเป็นคนรวยมันก็คนละเหตุคละผลกันการเรียนการได้รับการยอมรับมันคนละเหตุคนละผลกันเลยนะเนี่ยเรียนมันก็ต้องทําให้ได้ความรู้ที่ได้ความเข้าใจได้ทักษะได้ความรู้ได้ความเข้าใจในวิชาการที่ตนเองเรียนตนเองก็ไปศึกษาไปวิจัยแยกแยะใช่ไหมเหตุคือการเรียนผลคือการรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถว่าไปแต่เรื่องเงินก็ดีเกียรติยศก็ดีใช่ไหม ผลตอบแทนการปเป็นเจ้าคนในคนไอ้นี่มันโดยโอ้อมันโดยตรงที่ไหนเล่าเมื่อเรียนรู้แล้วก็ไปปึกไปสอบเข้าไปอะไรก็ว่ากันอีกทีแต่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรียน <c oughs> นี่บอกใหญ่บอกผลผิดคนมันก็เพี้ยนกันทั้งประเทศเลยใช่ไหมล่อะอายุ่งเลยทีแต่เนี้ยบางคนเรียนเสร็จแล้วเอาไม่ได้เป็นเจ้าคนในคนหงอยเลยจะนี่โดนด่าตลอดเลยเฮ้ยมึงเรียนแทบตายทําไมไม่ได้เป็นเจ้ามันคนละเรื่องคนละเหตุคนละผลพอมาออกยัง เนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้อันนั้นก็เดี๋ยวไม่อยากเข้า ร, รออยายละเอียดตรงนั้นเดี๋ยวจะไม่ไ ม, ไม่ไม่ตรงประเด็นตรงนี้เท่าไหร่แต่มันก็ยังอยู่ในเหตุตรงเนี้ยทีนี้ถ้าหากว่าเราบอกประโยชน์หรือบอกจุดหมายหรือเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของจุดหมายชัดหรือมันเลิศแล้วเนี่ยเขาจะยินดีมากเขาจะกระเตือเรือร้นเหมือนพระพุทธเจ้า บ, บอกพระพุทธเจ้า บ, บอกว่าพระพุทธเจ้า บ, บอกเขีดบอกผลเป็นเสร็จแล้ว ว่าทุกข์มันเป็นปัญหาอย่างไรแล้วก็เหตุที่ทําให้ปัญหาเกิดนั้นมันเป็นเหตุของทุกข์มากมายกายกองอย่างไรสภาวะที่ดับทุกข์ได้คือนิโรธมันเลิศเระเสริญอย่างไงมันดีอย่างไงมันมันผ่องใสมันดีแล้วก็สามารถทําให้เราเข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงอย่างไรวิธีการเนี่ยวักพี่เจ้าว่าเอกาญโนายังบิคาเอมะโค โทษเงี้ยนะบอกทางนี้เป็นทางสายเดียวเป็นทางสายเอกไม่มีสายอื่นสายนี้เท่านั้นเพราะงั้นเธอที่จะสามารถดําเนินไปตามมัชฌิมาปฏิปทาได้เป็นทางสายเดียวเท่านั้นที่จะให้เข้าถึงอนิพานได้นะไปถึงจุดหมายได้ทางอื่นไม่มีใช่ไหมเอกาญโนยังพิกเวมารโคทางสายนี้เท่านั้นที่จะเป็นทางดําเนินไปสู่ความรอดปลอดภัยได้เป็นทางที่ไม่เอียงเข้าไปสู่การมรสุขาริกานุยโยคคือการหมกมุ่นในกรรม แล้วมายอง้าหาอัตกิรมาฐานโยคือการไปติดนั่นอยู่ในการทรมานตนเองนะอันนี้เป็นมัชิมาปฏิปทาเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวอย่างเอกายอนอย่างพี่เคยสัตตานังวิสุทธิยาเอาแล้วโหเี๋นี้เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่โสกโปกเพราะราคะกุมรุมโทสะก้มรุมโมหก้มรุมเพราะบาปบกเซลและทำมันชั่วร้ายทั้งหลายเพราะดำเนินทางผิดแต่ทางนี้ทางสายนี้ มรรคปฏิปทานี้ข้อปฏิบัตินี้ถ้าเราดําเนินไปหรือท่านทั้งหลายดําเนินไปแล้วเนี่ยจะให้เข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์บุคคลทั้งหลายที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายเป็นเวนัยชนเป็นเวนัยสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นสัตว์ที่มีวินยัยทั้งสังวรวินยัยป่าหาและวินยัยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสกปรกไม่สะอาดเกลือกลัวได้บาปตุสฎีได้ทำมันชั่วร้ายเพราะไม่ดําเนินหรือไม่เดินตามทางสายนี้เพราะไม่ดําเนินกระแสชีวิตเป็นไปตามทางสายนี้ คือมักมีองค์แนี้โอ้โหบอกกันนี่เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดทังเราสัตว์แล้วก็ว่าโทุกขโทมานัสานังอทั้งกรรมายะดําเนินตามทางสายนี้แล้วจะสามารถกําจัดหรือดับทุกขและโทมานัสเสียได้ดงนั้นทุกกายทุกใจทุกกายและทุกใจเนี่ยมันจะดับลงหมดเลยนะนะทุกทางกายก็จะหมดทุกทางใจก็จะหมดถ้าท่านดําเนินไปทาง ท, ทางสายนี้ดงนั้นทางสายนี้ดีจริงๆ เหมาะแก่คนที่มีความทุกกายและทุกใจถ้าใครปรารถนาอยากจะปลอดหรือรอดพ้นจากความทุกกายทุกใจจะรอดพ้นจากชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไข้มรณะคือความตายถ้าอยากต้องการอยากจะพ้นจากความโศวความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความแคบคับแค้นใจทั้งหลายให้ดําเนินตามทางสายนี้ทางสายนี้ตับทุกได้จริงนี่อยพุทเจ้ายืนยันเห็นไหมทุกขโทมนาสานั낭อธังไม่ แล้วก็ยาแยสซาอธิกรรมยะก็คือหมายความว่าทางสายนี้จะสามารถดําเนินไปสู่การบรรลุอ er ริยมรรคฉะนั้นคนที่จะเป็นทศดาบันได้ก็ต้องดําเนินตามทางสายนี้คนที่จะเป็นพระสกาทาคามีได้ก็ต้องเนินดําเนินตามทางสายนี้คนที่จะเป็นผ้านาคาหรือบรรลุเป็นผ้าหานนันสูงสุดเป็นผู้พ้นจากกิเลสและกองทุกอย่างถาวรได้ก็ต้องดําเนินทางสายนี้ฉะนั้นทางสายเนี้ย เป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดำเนินให้มรรลุกอริยมรรคโอ้โหคนฟังตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแล้วอีกอีกข้อหนึ่งบอกว่านิพพานสัจฉิตริยายะบอกทางสายนี้จะสามารถเข้าถึงอนุปาทานบรินิพพานโอ้โหเนี่ยเริ่มตั้งแต่เลยนะเริ่มดำเนินไปดาเนินไปดา เ, เนินไปจะทำให้ได้วิกขมพนันิโรธหรือนิวิขมพนนิพาน คือเมื่อ ด, ดําเนินตามศีลสมาธิปัญญาเป็นไประดับหนึ่งปุ๊บจะสามารถดับกิเลสระดับทุกข์ในการข่มไว้จะมาสามารถข่มกามราคะการการมาฉันท่าปยาบาทีนะมีท่าอุท ธ, ธ, ธิจกุกุจารุจิกขาคมกิเลสเหล่านี้ได้กิเลสจะไม่ไปพุกพ่านในใจเลยจิตใจจะปลอดโปร่งโล่งเลยเนี่ยนะจะเยือกเย็นผ่อนคลายปราศจากความขุ่นโม้เศร้าหมองเร่าร้อนกรธกวายเลยเอาเลยเดีเยวนี้ เนี่ยลักษณะนี้นี่ไดวิขับวินิจดเนี่ยทางสายนี่จะได้ตามขั้นตอนเป็นไปตามลําดับเหมือนเดินทางเนี่ยมันจะเห็นอะไรสวยงามไปเรื่อยๆแล้วเดิเดนไปไปหน่อยไปอีกหน่อยจะได้ตาทางทั้นนิโรธเอาลเลยสิตัวเนี้ยจะได้ดับกิเลสและดับทุกข์ด้วยองค์ธรรมคู่ปรับก็คือทำ ม, มาที่ตรงกันข้ามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกากรู้จักพิจารณาด้วยปัญญารู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยยังไง แล้วก็จะแก้ปัญหาตรงตามเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกับความอยากและความปรารถนาเป็นต้นหรือความยึดมั่นถรือมั่นของมนุษย์เออเดีนี้ก็จะสามารถละ ก, กิเลสได้เป็นครัง้งครั้งค้งค้งครนี่จะได้นิโรธเป็นังั้งนะเขาจได้สมุทเฉท่านิโรธก็คือการดับกิเลสอย่างเด็ดขาดบรรลุอริยมรรคเลยแล้วก็จะได้ปฏิปสธินิโรธก็คือบรรลุอริยผลนิสระนาณิโรธก็คือได้ทุปาทาป ร, าาริทิภานบอกว่านิพพานนะสัจฉิกริยาญานั้นทางสายนี้ดําเนินไปเถอะ จะได้ความปลอดโปร่งโล่งและได้นิพพานดับกิเลสและวองทุกข์เป็จริงเนี่ยลักษณะเนี้ยเป็นการอย่างนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าเชิญชวนไหมเชิญชวนนั่นแหละลักษณะเนี้ยก็คือให้เห็นพระธพุทธเจ้าเชิญชวนเกินจริงไหมไม่ไม่เกินจริงแต่คนเนี่ยลักษณะเนี้ยพอทุกคนฟังโอ้โหจุดหมายนี่น่าเติม น, น่าไปถึงแล้วก็ต้องเดินต้องไปให้ถึงไงไหม ไม่ใช่ว่าหน้าเดินหน้าไปถึงหน้าดําเนินตามหน้าถึงนะไม่พอแล้ต้องเลยเนี่ยเราต้องดําเนินตามและเราต้องถึงให้ได้เพราะเราต้องการภาวะชีวิตที่ปลอดโปรงโล่งเบาและเป็นอิสระเสรีภาพและต้องการดับกองทุกเราไม่เราไม่ต้องการเราไม่ต้องการมีความทุกข์ใจและทุกใจแล้วเราต้องการดับเราต้องดับได้แน่และต้องนิพพานแน่และนิพพานจริงในปัจจุบันด้วยเนี่ยพุทธเจ้าการนิรันดร์สิ่งั้นการที่พุทธเจ้าตรัสนิโรธไว้ก่อนมรรคเนี่ยนะ ก็คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าเชิญชวนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนก็จะมีฉันทะเนาะอย่างจริงจังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าแม้การปฏิบัติจะยากลำบากสักเท่าใดก็จะเพียรพยายามสู้และทำให้สำเร็จเลยนะโอ้โหไม่กลัวแล้วเพราะจุดมุ่งหมายเลิศคุณค่าสูงมากถ้าเราได้บรรลุถึงคุณค่าที่เลิศที่ประเสริฐอย่างนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่มีอะไรเลิศไม่มีอะไรประเสริฐไม่มีอะไรมีค่าสูงสุด ที่จะดีพอกับชีวิตแล้วการดับทุกกายทุกใจได้การเข้าถึงความเป็นอิสระเสรีภาพได้การดับกิเลสและกองทุกเนี่ยมันเป็นสุดยอดของมวลมนุษยชาติที่ควรเข้าถึงและควรไปให้ถึงแหมจำมวลมนุษยชาติ ร, รู้ว่ามันมีทางนี้มันมีข้อปฏิบัตินี้ ม, นมีวิธีการอย่างนี้ที่จะดําเนินกระแสชีวิตไปสู่การดับกิเลสและกองทุกได้จริงและจะพ้นจากความเป็นจะเป็นอิสระเสรีภาพได้จริงเมื่อเข้าถึงจุดหมายนี้นเป็นบรมรสุขได้จริง นี่านิพพานังบ ร, รมังสุขขงังเลยนิพพานเป็นบรมสุขเป็นสุขอย่างยิ่งเป็นสุขที่เหนือเวทนาเป็นสุขที่ไม่ต้องมีเครื่องปรุงเป็นสุขที่ปลอดโปร่งโล่งเบาจริงๆโอ้โหอย่างนี้แนละ้วทุกคนนะมีฉันทะแรงกล้ามีความเพียร น, นะมีความอาถานมีความแกล้วกล้ า, ลารุดไปข้างหน้าอย่างไม่หวาดวันแล้วมีจิตจดจอ่จอตั้งมั่นนะไม่ได้ไม่เลิกใช่ไหะ มันเห็นชีวิตไม่ได้ถ้าเราไม่ได้นิพพานเนี่ยหนักยิ่งกว่าคนกู้กับระเบิดไอ้คนกู้กับระเบิดเนี่ยมันตายชาติเดียวนะถ้าหากว่าทําการไม่สําเร็จระเบิดมันตโมขึ้นมาก่อน ja. มันตายชาติเดียวใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้นิพพานเนี่ยมันต้องตายอีกไม่รกี่ล้านอัตภาพโอ้โหมันหนักกู้ระเบิดหมายมันจะจดจ่อยิ่งกว่าคนที่กู้กลับระเบิ ด, าาบดใช่ไหมโอ้โหพอเห็นอย่างนี้แล้วสําคัญที่สุดในชีวิตโอ้เห็นความสําคัญขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่เนี่ยอันก็เป็นลักษณะอย่างเงี้ย อังกฤาจาเวลาพูดในลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาอู้หทุกคนภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทในยุคนั้นฟังตื่นเตน้นทุกคนลืมตัดทุกอย่างทิ้งหมดเลยเพราะเห็นจริงผู้ที้เห็นเน่ยเหมือนยกเหมือนยกสถานการณ์นั้นมาตั้งไว้ต่อหน้าเลยพูดเรื่องทุกเนี่ยก็เหมือนยกเอาปัญหามาตั้งไว้ทั้งหมดพูดเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ก็เหมือนก็เอาเหตุของปัญหามาตั้งให้ดูทั้งหมด พูดถึงความดับทุกข์คือพระนิพพานก็พูดถึงโอ้โหมันปลอดปรงมุขมัตตตั้ง ต, งต่อหน้าพูดถึงวิธีการข้อปฏิบัติเึ้ยากขนาดไหนฉันก็จะทำใช่ไ <c> ห <oughs> มมันจะยากแสนเข็ญขนาดไหนมันจะต้องใช้แรทุ่มแรงกายแรงใจสุดชีวิตขนาดไหนยังต้องไปให้ถึงถึงขนาดนั้นนลยขนาดเราไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าโดยตรงนะฟังแค่หลักการที่ท่านพูดแบบยอ่อๆเราเรายังมีกําลังใจขนาดนั้นใช่ไหม น, นี่ขนาด น, น ทนี้พระเจ้าเนี่ยตรัสนิโรธไว้ก่อนหน้ามารก็เพราะอะไรเพราะเหตุผลนี้ด้วยฮนะคือให้ผู้ฟังมีความหวังมีความหวังและเห็นคุณค่าของนิโรธหรือนิพานว่าจุดว่าจุดหมายนั้นก่อนจึงเกิดความสนใจแล้วก็ตือรือร้นรในการนิยาเรียนรู้วิธีปฏิบัติฉนั้นเวลาจะบอกข้อมาร์ตนั้นเป็นวิธีการเป็นข้อปฏิบัติเป็นเรื่องใหญ่มาร์นเลเป็นเรื่องใหญ่เลย นั้นถ้าหากว่าวิธีกา ร, ราผิดข้อปฏิบัติผิดผิดเลยจดหมายมันผิดเลยนะเอะถ้าจะถ้าวิธีการข้อปฏิบัติโขกมันก็ถขกใช่ไหมโอ้แล้วมันเคลื่อนไม่ได้นั่นคาดเคลื่อนไม่ได้เหมือนอะไรดีเหมือนเราจะปลูกตึกสักหกสิบหกสิบชั้นแม้ตึกหกสิบชั้นหรือร้อยชั้นเนี่ยเชั้นสูงเนี่ยถ้าฐานรากมันขยับสักสองมิลแล้วมันจะไปไหมเนี่ยัขยับแค่สองมิลนน แล้วมันมั น, ม, นมันยอดมันจะไปยังไงมันจะตั้งตรงไว้นี่นั้นมีใจว่าการปฏิบัติก็เหมือนกันนะเคลื่อนเม่ได้คาดเคลื่อนเมื่อยได้คำสอนพระเจ้าวางไว้โอ้ต้องต้องชัดเจนต้องเข้าใจจริงๆบางคนอะไรก็ได้ปฏิบัติยังไงก็ได้นี่เมื่อไม่ใช่แล้วไอ้นี่ น, นีชักชักชักเป้าหมาเริ่มเคลื่อนแล้วอย่างเงี้ยใช่ไหมหลักการต้องชัดวิธีการต้องดีโดยเฉพาะข้อปฏิบัติเนี่ยต้องเหมือนคนจะสร้างถึกคุณสูงโอ้โหต้อง คำนวณแล้วคำนวณอีกไม่พอนะนอกจากคำนวณแล้วต้องไปพิสูจน์สถานที่จริงล้องเข็ยมยังไงขนาดไหนอย่างไรที่จะไม่สุดแล้วจะตั้งฉากยังไงให้มันตรงโอ้โหอ้ น, นี่แนวดิ่งเนี่ยสำคัญที่จะเป็นแนวดิ่งแนวนอนแนวตั้งพอมองเห็นภาพไหมเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แต่ตรงนี้แหละเป็นภาวะที่จะต้องพระเจ้าเคยบอกถึงในเรื่องของนิโรธนเนี่ย ว่าเกิดความสนใจแล้วก็ตื่นร้อดในการที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติต่อไปแล้นเวลาตัดถึงนิโรธก็คือว่าให้เห็นว่าเป็นภาวะควรบรรลุถึงอย่างแท้จริงควรมากๆเลยเนะแล้วพอผู้ปฏิบัติก็ตั้งใจที่จะรับฟังมักพอพูดถึงนิโรธปุ๊บเนี่ยผู้ปฏิบัติไม่ได้ตื่นตาตื่นใจว่าวิธีการน่มกาก็วิธีไอ้ทางดาเนินเนี่ยหรือว่า เราจะปฏิบัติยังไงที่จะถึงจุดหมายนั้นนะเ อ, อมีวิธีการยังไง อ, อบางคนทําไมใช้เวลาเจ็ดวันถึงบางคนน่ะเจ็ดเดือนถึงบางคนเจ็ดปีถึงอะไรเงี้ยนะมันออทำยังไงนะอยากจะรู้วิธีการป <c oughs> รารถนาด้วยมุ่งมั่นที่จะไปเอาไปใช้เป็นข้อปฏิบัติและทั้งมีกําลังใจเข้มแข็งในการปฏิบัติด้วยตรงนี้สําคัญ พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมัตตและก็ยินดีที่จะประชิญกับความยากด้วยประชิญกับความลําบากในการปฏิบัติตามมัคคาปฏิปทานะเพราะว่าในระหว่างปฏิบัติเนี่ยให้สังเกตดูนะว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่บอกถึงจุดหมายว่าดีว่าเลิ่อว่าประเสริฐอย่างไรหลายคนเวลาลงมือปฏิบัติไปแล้วท้อแต่พอท้อปุ๊บนึกถึงจุดหมายว่าเลิ่ประเสริฐขึ้นมากําลังใจตามมาไหม แล้วก็นึถึงบุคคลที่ไปถึงบุคคลที่บรรลุถึงบุคคลที่ยากกว่าเรามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอื <c oughs> พุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครบอกทางนี้เลยต้องคิดเองค้นเองวิจัยเองแยกแยะเองใช้เวลาเสียสองขายยิ่งในแสนหมหากับ <c oughs> โอ้โเราเนี่ยเพียงแค่ทําแค่ชาตินี้เอ้ไม่อยากทำโอ้โหเนี่ยเนีนนเสียโอกาสมากเลยแล้วพุทธบ่ไม่ต้องทําแบบยากๆไม่ต้องทําผิดอย่างที่พุทธเจ้าทรงทำ ไม่ต้องทดลองเองไม่ต้องอะไรเองเพียงทําตามปฏิบัติตามแล้วจะเห็นตามขั้นตอนนั้นๆๆัตามนั้นจริงๆให้ไปพิสูจน์เลยเริ่มต้นตั้งแต่การเข้ามาขั้นต้นแรกๆก็เริ่มเห็นตามที่พรทธิยาบอกแล้วเมือนเริ่มเดินทางนี่เลยนนในขณะที่อยากขยับหรือขับรถไปเนี่ยเราก็จะเห็นเส้นทางเรื่องสองข้างทางหรือเห็นสภาพภูมิอากาศ ต, ตรงนั้นเนี่ยตามที่พระเจ้าบอกทุกขั้นตอนอยู่แล้วมันอาจจะยากบางขั้นตอนจอเจออุปสรรคเจออะไรทั้งหลายเหล่านี้ ก็ไม่ทอ้อเพราะไอ้จุดหมายนันเลิศจุดหมายนั้นเป็นเสดจุดหมายนั้นควรรู้ถึงจริงๆ <c oughs> ใช่ไหมถ้าเห็นอย่างเงี้ยคนไม่ทอ้อไม่กลัวเพราะอะไรเพราะว่าฟังจุดหมายเห็นจุดหมายล้วมีค่ามากมีค่ากับชีวิตเราด้วยและมีค่ากับมวลมนุษยชาติทั้งโลกเนี่ยทั้งเทวโลกพรรมาโลกมารโลกหมู่สัตว์สัมภพรามเนี่ยทั้งทุกมูเรา มีค่าหมดเพราะวุทิย่าเนี่ยเป็นศาสดา์เอกของโลกนไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครแต่บอกเลยนะคุณจะนับถืออะไรมาไม่เกี่ยวแต่คุณปรารถนาจะพ้นทุกข์คุณปรารถนาจะรู้สุขแบบนี้เนี้คุณลองมาศึกษามาฟังดูเนี่ยหลักการตัวเนี้ยถ้าคุณศึกษามาดูมาใค่คยวรพิจารณาดูแล้วเนี่ยคุณปรารถนาจะถึงไหมคุณไม่ต้องบอกคุณนับถือใครก่อนแต่คุณฝึกได้เลยคุณสามารถดำเนินตานได้เลยแล้วคุณเข้าถึงคุณจะรู้เองคุณไม่ต้องให้ใครมาบอก ถ้าคุณเข้าถึงสถานการณ์นั้นๆๆคุณจะประ จ, จักษ์ชัดได้ได้วยตนเองโอ้โหอย่างนี้ยเนี่ยไยเจอหน้าคุณผ่าคุณเชื่อใครมาเปล่ไม่ใช่คุณมีปัญญาคุณสามารถอย่างรู้ได้สามารถฝึกฝนได้สามารถปาาระพฤติปฏิบัติได้เนี่ยหลักการพระเจ้าขนาดนี้เลยลองคิดดูดีว่าก็ขนาดวิชาเกิด ก, กั้วกับทุกวิชาหากินีนเรายังทุ่มเทกันใช่ไหมทุ่มเทกี่ปีอนุบาลกี่ปีปถมกี่ปีมัธยมกี่ปี ใช่ไหมแล้วอุดมศึกษากี่ปีแล้วปริญญาโทกี่ปีเอกกี่กี่ปีทําไมทุ่มขนาดนั้นมี่ขนดวิชาหาข้าวกินนะคุณยังกล้าทุ่มขนาดนั้นอันนี้วิชาที่จะดับทุกข์นะเป็นวิชาดับทุกข์นะแก้ปัญหาชีวิตนะดับกิเลสและกองทุกขนะ์ทำให้ปลอดรอดพ้นลนะองคิดว่าถ้าวิชาอย่างนี้ทําไมไม่อุทิศกายอุทิศใจศึกษาจริงๆใช่ไหมเออเนี่ยคนบางคนก็ไม่คิดอย่างนี้ ไปเห็นว่าการหาข้าวกินมันสําคัญมากมันําคันที่ไหนเดี๋ยวตายกินข้าวนัดนี้ก็ตายมีเห็นรอดเลยเออปัญหาก็มาจมจมจมจมกันอยู่อย่างเงี้ยวนวนวนกันอยู่อย่างเงี้ยไปเห็นเห็นอยู่นี่แหละเพราะงั้นได้เห็นแต่มันคิดไม่ออกทำไมนึกว่าดีลองไปดูที่สถาภาพที่เราเริ่มบวชมาแล้วจะเห็นเียจะพาไปดูคนที่จนที่สุดไอ้คนที่ปานกลางไอ้คนที่รวยสุดไอ้คนที่มีอํานาจเลน้อยจนถึงขนบดมีอํานาจสูงสุด เราไปดูบรรดาชีวิตของบุคคลเหนะล่านั้นเขาเกิดก็กล่องตรแล้วก็เห็นไหมเขารู้จักชีวิตไหมเนะมี่ยไม่รู้ชีวิตคืออะไรที่ไม่รู้เลยนะชีวิตคืออะไรก็ไม่รู้ชีวิตควรเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ใช่ไหมชีวิตเกิดจากอะไรไม่รู้ชีวิตควรเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เนี่ยถามคําไหนตอบไม่ได้ตอบไม่ได้คำตอบนี่เป็นต้น นั้นเมื่อมองสาเหตุแห่งทุกมนุษย์ก็ชอบมองออกไปหาที่จะซัดทอดภายนอกดังที่ได้กล่า ว, วแล้วแหละพอมองให้ไกลออกจากความรับผิดชอบของตนเองเท่าที่จะเป็นไปได้ชั้นใดเวลาจะแก้ไขทุกมนุษย์ก็ชอบมองออกไปข้างนอกเหมือนกัอออกนกหาที่ปกป้องคุ้มครองตนเองให้พ้นภาระหรือให้ามาช่วยทําการแก้ไขทุกชั้นนั้นมนุษย์เป็นแบบนี้เวลาจะแก้ปัญหาทั้งหลายไม่ได้มองมาดีตนเองใช่ไหม ก็มองนอกตัวมองเลยสารพัดว่าโดยลักษณะหรือการกระทาทั้งสองกคล้ายคลึงกันก็คือว่าเป็นการหลบหลบหน้าหลบความจริงไม่กล้ามองทุกเลี่ยงหนีเผชิญอาการรับผิดชอบเป็นเหมือนคนหนีภัยด้วยความขาดกลุ่มหาที่พอปิดตาซุกหน้าไม่เห็นภัยนั่นเลยก็นึกว่ามันพ้นภัยแล้วทั้งที่ทั้ง ร่างทั้งตัวเองก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ในพยานอันตรายคือสัตว์บางประเภทจะเป็นอย่างนั้นเวล า, าภัยอันตรายมาหนีตอนหนีไปเสร็ก็หลับตาขดทั้งทั้งที่พยานอันตรายอยู่รอบตัวมนุษย์ก็เหมือนกันโดยส่วนใหญ่คือ ท, ทั้งทั้งที่ภัยชาติคือความเกิดชราคือความแก่พยาธิคือความเจ็บไขมรณะคือความตาย ความโศกความร่ำไรลำพันทั้งหลายมันประชมุมรอบตัวลงแต่มนุษย์ก็หลับตากลัวพยายามหนีไปซุกตรงนั้นซุกตรงนี้หาที่พึ่งกันสารพัดหมดเลยนะเนี่ยวิธีแก้ไขวิธีทุกในลักษณะอย่างนี้ก็คือหาพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาพึ่งคนนั้นคนนี้ก็ว่าั <c oughs> าไนไปอ้อนวอนทำยังไงเนาะครอรัวตัวเองจะมีความศกก็ไปไหว้พระอ้อนวอ น, วนขอ ผลดันบรรดาลบางไปขอสิ่งตรงนั้นตรงนี้บ้างไปบอกว่าเออขอให้ชีวิตเราปลอดภัยบ้างเห็นไหมเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาแก้ทุกทั้งหลายเรนนี่ก็กรตาเชื่อโชคชะตาฉะนั้นมันเป็นมันไม่มีความมั่นคงปลอดภัยอะไรเลยแล้วก็ไม่สามารถจะนําไปสู่ความดับทุกได้จริงแล้วก็เชิดกันอยู่เนี่ยดาผู้ได้จาก็บอกว่าบรรดาผู้ที่เกิดภัยคุกคามแล้ว คถาเนี่ยยานจะพูดบ่อยมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดหมาหันภัยคุกคามแล้วก็หาที่พึ่งผิดๆใช่ไหยต้นไม้บ้างภูเขาบ้างรุ ก, กเทวดาเป็นต้นบ้างาอินบางพะพรมบ้างสารพระภูมิบ้างเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายเหล่านี้เทพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นสาธารณะเป็นที่คือเขาเขาทุกเขาเขาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถแก้ไขระดับทุกเขาได้จริงเนี่ย พระยาคุณบอกว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเมื่อเขาหรือบุคคลเหล่านั้นอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นไม่สามารถที่จะพ้นจากวัฏทุกุกได้ส่วนบุคคลใดมีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยจะต้องเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสารณนะมองเห็นด้วยปัญญาเดินอย่างท่องแท้ ซึ่งอริย ส, สัตวสคือโทกเหตุให้เกิดทุกความก้าวร่วงทุกและอริยามรรคมีองค์แอันนี้ถึงซึ่งความระ ง, งับทุกนี่แหละเป็นสาระอันเกษมนี่แหละเป็นสาระอันสูงสุดเป็นสาระอันอุดมเมื่อปดาชสตร์ทั้งหลายาเข้าถึงสาระเหล่านั้นแล้วย่อมจะพ้นจากกองทุกทั้งปวงเป็นต้นได้เห็น ไ, ไหมประเด็นก็เลยบอกว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ระลึกให้เรามั่นใจ ถ้าเราเข้าใจคําว่าพุท ธ, ธะอย่างแท้จริงเนี่ยพุท ธ, ธะเนี่ยหมายถึงปัญญาที่ตัดสู้ความจริงสัมมา ส, สัมพุท ธ, ธะเนี่ยตัดสู้อริยสัจ ส, สีคือตัดสู้ทุกคือปัญหาตัดสู้เหตุให้เกิดทุกคือเหตุของปัญหาตัดสู้ความดับทุกคือนิโรธตัดสู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกพระองค์มีปฝึกปัญญาข้อนี้เป็นมนุษย์นี่แหละปริ้าจากการเป็นมนุษย์นี่แหละเริ่มจากเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยภาพนี้แหละ แล้วต่อมาก็เสด็จออกบวชออกบรรพชาสแสวงหาอยู่7ปีนี่แหละต่อมาก็สามารถค้นพบอริยสัจ4ี่คือทุกสมุทัยที่หลดมาแล้วสามารถทั้งตลอดอริยสัจสี่ได้ด้วยญาณปัญญาที่ตนเองฝึกฝนด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยศักยภาพความเป็นมนุษย์ที่พระพุทธเจ้าเป็นนี่แหละคือเราทุกคนเนี่ยมีสติปัญญามีความสามารถพุทธเจ้าบอกเออพุทธเจ้าเนี่ยให้เราระลึกมั่นว่ามนุษย์อย่างพุทธเจ้า ก, ก็เป็นมนุษย์ ให้เราเลิกมั่นว่าเออเนี่ยทุกคนนี้มีสติปัญญามีความสามารถที่อาจจะฝึกปรือหรือพัฒนาให้บรรลุให้บริบูรณ์ได้สามารถที่จะอย่างรู้สัจธรรมคือสัจจะสียแล้วก็บรรลุความหลุดพ้นเป็นอิสระไร้ทุกข์และก็ลอยเหนือโลกธรรมและมีความดีสูงเลิศที่แม้แต่เทพเจ้าและพรหมก็ยังเคารพ บ, บูชาดังที่พระบรมศาสดาของเราเอง แม้แต่เทพเจ้าหรือบุคคลที่เลิศทั้งหลายยังน้อมหันไปบูชาบุคคลที่บรรลุสัจธรรมนั้นเห็นไหมว่ามนุษย์แต่เลอมนุษย์แต่ประเสริฐสูงสุดจริงๆพอเรานึกอย่างนี้ปุ๊บมีพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นเครื่องดําเนินทางมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างใช่ไหมเป็นบุคคลต้นแบบปุ๊บมีกําลังใจไหมมันจะมีกําลังใจขึ้นมาเบิกบานใจขึ้นมาชื่นใจขึ้นม า, าเออมนุษย์มีทางรอดแล้วใช่ไหม มนุษย์มีทางรอดปลอดภัยแล้วและมนุษย์ท่านนั้นก็คือพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลคนแรกและสามารถจะฝึกฝนพัฒนาปัญญาของตอนเองให้เข้าถึงสัจจะจำสัจจะธรรมได้ด้วยตนเองเฮ้ยมนุษย์ไม่ธรรมาดาและเมื่อเข้าถึงสัจะธรรมได้ตัวตนเองเนี่ยอยู่เหนือโลกได้อยู่เหนือโลกธรรมเป็นปน้นได้และมีความดีเลื่อ ด, ด้วยสูงสุดด้วยแม้แต่เทพเจ้าแม้แต่พรม้ม ก็เครารพบูชามนุษย์ที่เข้าถึงสัจจะความจริงนั้นเออมนุษย์นี่ไม่ธรรมดาเลนึกอย่างงี้ยนะโดยเฉพาะมนุษย์คนแรกมนุษย์ต้นแบบเลยล่ะพระพุทธเจ้าเออแล้วเราล่ะเป็นมนุษย์ไหม <c oughs> เอาละสิเดี๋เอาเป็นมนุษย์นี่นี่พระพุทธเจ้าต้องการสื่อให้เราเชื่อใครเนี่ยเชื่อศักยภาพความเป็นมนุษย์เชื่อปัญญาของมนุษย์ เออมนุษย์พัฒนาปัญญาได้พัฒนาสมาธิได้พัฒนาศีลได้เออศีลสมาธิปัญญามรคะปฏิบัติเนี่ยมรคเนี่ยข้อปฏิบัติเนี่ยเมื่อปฏิบัติฝึกฝนพัฒนามรคเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเข้าสูงสุดแล้วมนุษย์เป็นผู้เลิศได้เป็นผู้ประเสริฐได้เป็นผู้สูงสุดได้โอชัดเลยเหมือนพระเจ้าประกาศทีแรกเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้บเสริฐที่สุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ของเราจะไม่มีอีกต่อไปคูประกาศยืนยันเลยใช่ไหมอะกาศมัะเกิดเออประกาศหลักการเลยประกาศหลักการเลยโอ้ยคนเขาถือพรมสูงสุดเทพเจ้าสูงสุดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดผมไม่เราจะถือธรรมะเนี่ยสูงสุดหลักการข้อปฏิบัติเนี่ยจะทําให้มนุษย์สูงสุดดัฉะนั้นเราจะประพฤติปฏิเราจะเดินตามมรรคปฏิบัติานี่แหละ สามารถเข้าสู่ความเป็นผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้เจริญที่สุดได้ผู้สูงสุดได้โอ้โหเห็นเนี่ยกระทั่งประกาศเลยอะ่ะนะเราไอเราตื่นเราเกิดขึ้นมาปั๊บเราก็ล้องแง่แงนี่แหละลืมประกาศอ่ะตอนนี้พอมาศึกษาคําสอนเกิดเสร็จแล้วต้องประกาศเลยประกาศที่หลังก็ไม่สายยังเราจับเป็นผู้เลิศที่สุดเป็นผู้เจริญที่สุดและเป็นผู้ประเสริฐชาตินี้เป็นชาติสุดทา้ายเราจะได้เราจะเอานิพนาได้ในภพนี้ จะไม่มีพบใหม่เราจะดับกิเลสและกองทุกให้ได้พวกนี้โอ้โหประกาศยืนยันดูนี่ประกาศหลักการแล้วแผ่นดินสะเทือนเลยประกาศหลักการประเทศเทวดาวมนุษย์ต่างหลายวิมนุษย์กล้าขนาดนี้เลยขนาดนั้นที่มนุษย์กล้าประกาศอย่างนี้กล้าประกาศหลักการจริงๆอย่างนี้หักหลักการท่องเทวะองค์การนีน่ใช่ไหมโอ้คนคนเนี้ไม่ธรรมดาประกาศหักหลักการเทวะองค์การต้องเชื่อข้าใช่ไหมไม่เชื่อมนุษย์ได้ไง ใช่ไหมสู้กันแล้วระหว่างเทพเจ้า ก, กับมนุษย์เอาเลยดิจะเอาศรัทธาเอาความเชื่ออาความจงรักภักดีไปฝากไว้กับเทพเจา้าหรือจะฝากไว้กับตนเองเออจะฝากไว้กับปัญญาของมนุษย์เอาเลยวัดกันเลยเดี๋นี้เอาเดี๋ยวเราจะทําให้ดูเราก็ไม่ศึกษาให้มันชัดใช่ไหมถ้าเราศึกษาตรงนี้ชัดระบบกโอ้โหเฮ้ยเฮยฮยมนุษย์นี่ไม่ธรรมดาเนะี้ยแต่เรากลับกลายไปยอมจำนนนะเนีน้ย มนุสส่วนมากมนุษยาชาติส่วนมากก็เป็นคนยอมจำนนื อ, อกลับกลายเป็นการยอมจำนวนต่อเทพเจ้ายอมจำนวนต่อพรหมยอมจำนนนนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอมจำนวนต่อดวงดาวเนาะยอมจำนวนต่อพระพรหมต่อพระภูหมเจ้าที่นะคับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ใบหญ้าหูยอมจำนวนก็อะไรเยอะเลยเออแปลกเนี่แต่พระเจ้าสิกลับไมะ ห, หลักการของคนเชื่อความเชื่อของคนเลยนี่นี่ปฏิวัติสมมตินี่ปฏิวัติความเชื่อเลยความเห็นด้วยว่างั้นปฏิปฏิบัติปฏิวั ต, ว ต, วติมุมมองด้วยว่าหลักการที่มนุษย์เชื่อกันหลงไหลกันอยู่ถึงยึด ถ, ถือกันแบบผิดๆมานี่ใช้หลักการนี้ใช่ไหมล่ะอา้าวดูเราจะทําให้ดูเลยทุกคนก็เออจรไม่จริงเทวดามาประชุมมนุษย์ประชุมพร้อมกันเอ๊จะจริงไม่จริงเีคอยดูต่อฮ คนก็ศึกษาต่อคอยดอูเด็กคนเนี้ยจเจริญพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจะเป็นยังไงก็คอยดูคอยดูดูดูเอาเอาอออมีอะไรพิเศษพิเศษมันฝึกตัวเองตลอดฝึกตัวเองตลอดไม่ยึดย่อนศึกษาตลอดไม่เสพไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ไม่เสพติดสิ่งนั้นหรือใช้ปัญญาศึกษาศึกษ า, กษาพัฒนาศึกษาพัฒนาอุยมาใช่ไหม ด, ดําเนินนะเข้านะเข้าหลุดออกจากวงจรของกาลมาคุณเลยนะออกบทเลยนี้่ ประกาศหลักการเนี่ยเมื่อออกบวชแล้วพระเจ้าพิมพิสารเห็นน่ยชวนบอกอี่มมาปกครองประเทศแบ่งกันคนละครึ่งไม่เอาอันนี้ฉันไม่เอาฉันสละขนาดความจะเป็นจกักรพรรดิฉันยังสละทิ้งเลยไม่สนฉันจะฉันจ ะ, นจะไม่ยอมจำนนต่อเทพเจ้าใช่ไหมเชื่อมั่นศักยภาพความเป็นมนุษย์เราเป็นเราจะต้องตัดสุความจริงได้ตัดสุขสัจจะได้ ได้ความเพียรได้เร็แวแรงด้วยกําลังได้สติปัญญาของมนุษย์ดีแหละเออพระเจ้าพิพิษฐานก็เลยบอกว่าถ้าท่านได้อย่างนั้นจริงๆขอให้มาโปลดเราด้วยเออเนี่นะเอาละเราก็เราเราไม่อาจนีเราไม่อา จ, าอา จ, าอาจที่จะปลุกหรือคิดได้โดยตัวเองเราแต่ถ้าท่านได้สัจจะความจริงตรงนั้นแล้วรู้ความจริงเหล่านั้นขอบอกไว้เลยกลับมาสอนเราเข้าพระเจ้าเราเออท่านก็รับปากเอาไหมรับปากแต่เราตัดสิรู้ความจริงมาเลยเราจะมาปลด เราจะมาบอกหลักการนั้ น, น, น อ, อหลักการยากๆเดี๋ยวเราจัดการเราเราเชื่อว่าโอ้โหขนาดนั้นเลยเนี่ยแล้ที่สุจริงพุทธิยัก็แทงตลอดความจริงแล้วก็ยืนยันเลยเนี่ยโอ้โหวสวยพุทธิสุขเห็นไหมว่าอยู่สี่สิบเก้าวันเจสัปดาห์สุขจากการที่กิเลสหมดเนี่ยมันสุขจริงๆอย่างเงี้สงยสุขจริงหนอสุขจริงๆเนี สุขจากการที่ดับกิเลสได้สุขจากการที่ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจไม่มีทุกข์ใจแล้วสามารถดับได้ยางเด็ดขาดดับได้อย่างเท่าวอโอ้โหสุขขนาดนี้แล้วก็เห็นไหมทำให้เราดูว่าสุขจริงๆมันไม่มีอะไรสุขเท่านี้แล้วในบรรดาการมาสุขทั้งหลายไม่ต้องมาเทียบแล้วนี่สุขที่สูงสุดสุขที่ปราณนีสุขที่ประเสริฐสุขที่เลิศที่สุดเราได้สัมผัสแล้วเราเห็นแล้วเอาเลยสิจ๊ะ แล้วพระเจ้าก็มาประกาศหลักความจริงใช่ไหมเนี่ยหลักการตรงนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเชื่อมัน่นเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นพระรัตนตรัยนี่นแหละแ ล, ะล้วคิดที่จะดําเนินวิธีการแก้ไขปัญหาตามหลักของอริยสัจสี่ประการก็คือทุกขสาหาเหตุ ข, ของทุกขแล้วลิงถึงภาวะความดับทุกที่จะบรรลุและก็ปฏิบัติตามวิธีแก้ไขที่ตรงเหตุซึ่งพอที่จะให้บรรลุ ถ, ถึงจุดหมายเรียกว่ามรรคแด อันเป็นว่าปฏิบัติเช่นนี้ก็จะเป็นทางพ้นจากทุกข์ที่แท้จริงได้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกเออพระพุทธเจ้าก็เลยบอกเนี่ยพอเราเห็นว่า อ, อมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาสามารถในการที่จะฝึกและมีความดีเลิศได้แม้แต่เทพและพรหมก็บูชาดังพระบรมศาสดาของเราเนี่ยมนุษย์ตั้งหลายที่หวังพึ่งเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ถ้ารู้จักฝึกอบรมตนีห้ดีแล้วก็ไม่มีไม่มีสิ่งใดนะที่เทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละที่จะทําให้ได้เหมือนดังกรรมดีและจิตปัญญาที่พัฒนาดีแล้วของมนุษย์ที่จะสามารถทำได้โอ้เดีนี้เข้าใจเลยเขีนยนพระพุทธเจ้าปุบ๊บมีกําลังใจไหมมีกำลังอาการต่อมาคือธรรมะพระธรรมเนี่ยเป็นที่ให้ระลึกและมั่นใจว่าความจริงคือสัจจะสีทุกสมุทัยนิโรดมรรคนี่นะ เป็นภาวะที่ดำรงอยู่โดยธรรมดาสิ่งทั้งปวงที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้ารู้จักมองดูรู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่มันเป็นจริงนำความรู้ธรรมะและความจริงนั้นมาใช้ประโยชน์และปฏิบัติสิ่งตามสิ่งทั้งหลายตามความรู้ทันสภาวะและกระทำะการที่เหตุปัจจัยก็จะแก้ไขปัญหาได้ในที่สุดเข้าถึงธรรมะและมีชีวิตที่ดีสูงสุ ด, ส ด, ส ด, ส ด, สดเป็นต้นได้ตรงนี้คือพระธรรมพระธรรมนี้เป็นหลักการเลยนะเป็นหลักการ หลักการเนี่ยว่าธรรมะเนี่ยเป็นสารณะเพราะอัตว่าก็คือสามารถที่จะนําพาประดาศัตว์ทั้งหลายที่ปฏิบัติตามพระธรรมนั้นน่ยให้พ้นจากกันดานคือพกให้พ้นจากกันดานคือกิเลสฉะนั้นถ้าเราดําเนินไปตามพระธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่นี้หรืออริยมรรคมีองค์8ก็แล้วแต่หรือตามอริยสัจ เข้าใจสัจจกความจริงตรงนี้เบียดเสร็จเมื่อเข้าใจแล้วก็ดําเนินไปตามธรรมะคือศรรี่สมาธิปัญญาแล้วธรรมะเนี่ยจะสามารถทําให้กระแสชีวิตน่ยพ้นจากกันดานชาติกันดานคือการเกิดบ่อยๆชะลากัรดานคือความแก่บ่อยๆพยาธิกัรดานคือความเจ็บไข้บ่อยๆมรณะกัรดานกัรดานคือความตายเป็นต้นเนี่ยหรือกัรดานทั้งหลายภัยทั้งหลายที่เต็มไปในสังสารวัตทั้งหลายเราจะพ้นจากกันดานเหล่านั้น นั้นธรรมะจึงเป็นหลักการที่เกิดความเชื่อมัน่นหลักการที่พระ อ, องค์ทรงประกาศประการต่อมาคือสังฆะเป็นที่ระลึกให้มั่นใจว่าสังคมดีงามมีธรมธรมะเป็นฐานประกอบไปด้วยสมาชิกผู้มีจิตที่ จ, จ, จิตใจนะที่มีจิตใจที่ไร้หรือห่างจากทุกเป็นจิตใจที่ไม่มีกิเลสร า, ราคาโทสาโมหะกุ้มรุม เป็นจิตใจที่เป็นอิสระเสรีแล้วก็พัฒนาการแห่งจิตและปัญญาในระดับแตกต่างกันไปแต่ก็อยู่รวมกันด้วยดีมีความสมเสมอ ก, กันโดยธรรมะมีความสมากสนสามัคคีด้วยก็เรียกว่ามีศีลน่ยมีศีลและสามัญญาตามีศีลที่เป็นอริยการกศีลเป็นศีลที่พระ อ, อริยะเจ้าชื่นชมน่ยรักให้น่ยมีศีลประเภทนั้นเน่ยเป็นที่รักเหมือนกันเป็นที่ฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเหมือนกัน มีทิฏฐิสามั ญ, ญาตาเป็นปัญญาที่สมมาทิฏฐิปัญญาที่ถูกต้องตามความเป็นจริงเนะี่ยเห็นตามความเป็นจริงเสมอกันสมดุลกันยึดโยงเกี่ยวกันนี่เหมือนกันพระสงฆ์เหล่านั้นเนะี่ยอยู่ร่วมกันได้ดีมีความเสมอกันโดยธรรมะมีความสมักสมานสามัคคีร่วมกันด้วยและเกือ้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ก้าวไปในมรรคา สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์ทุกคนที่มีส่วนร่วมอยู่ร่วมสร้างสังคมเช่นนี้ได้ด้วยการรู้ธรรมะและปฏิบัติตามธรรมะเนี่ยความมีความมั่นใจในพุทธธรรมะสังฆะอย่างเนี้ก็เลยเป็นกําลังใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองเดินก็สู่มรรค า, าหรือตามอริยามรรคมิลแปดนะั้นถ้าไม่มีความมั่นใจในพุทธรัตนธรรมรัตนสังฆารัตนปุพบเนี่ยก็ต้องไปพึ่งปัจจัยภายนอกใช่ไหม เพราะพุทธธรรมสังฆะนั้นปัจจัยภายในที่จะเดินนําเดินให้มนุษย์เนี่ยมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์มั่นใจในพระธรรมหลักการที่จะ ป, ปฏิบัติมั่นใจในชุมชนของอริยสังฆะชุมชนของสงฆ์ที่เป็นชุมชนที่ฝึกตนเองดีแล้วละ ก, กิเลสละ ก, กองทุกข์ได้แล้วก็ไปอยู่ร่วมกันแล้วมีความสมัครสามานสามาัคคีกันอย่าลงลมเย็นเป็นสุขอย่างถ้าไม่มั่นใจในพระรัตนตรยัยมนุษย์ไปมั่นใจอะไรดี mm hmm. ข้างนอกก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างเทพเจ้บญญาบ้าง ดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นบ้างมันก็เลยเพี้ยนกันไปใหญ่เลยเนยีแล้วก็เมยแล้วก็หาวิธีการดับทุกข์แบบผิดวิธีเหมือนคนปวดหัวเนี่ยแทนที่จะหาสาเหตุแก้ที่สาเหตุก็ไปกินยายละครับอันนั้นเหมือนกันก็ไประงับทุกข์กันหรือไปแก้ทุกข์กันอย่างไม่ถูกวิธีไม่ถูกอุบายไม่ชานฉลาดก็ไปหวังพึ่งแบบลมๆแรงๆไปะนะแล้วก็แบบงม ง, งายด้วยแบบการเชื่อแบบสุดโตงด้วยว่าแบบนั้นเลย เชื่อแบบประเภทที่เป็นศรัทธาด้านเดียวเป็นเอเวคาเป็นศรัทธาที่ขาดปัญญาเป็นศรัทธาที่จมดิ่งอยู่กับความเห็นแล้วก็ปักแน่นที่สุดจริงๆก็เลยทำให้แข็งทื่อเนไม่สามารถที่จะเดินออกากสิ่งหนึ่มีอะไรจะสงสยัยถาม